ขุทัเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละพระองค์นั่นแลคือท่านผูกค้นพบเรื่องกิเลสและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้มีอยู่ที่อื่นเพราะใจเป็นผู้จะสัมผัสรับรู้เรื่องของกิเลสและธรรม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 สัตโโลกรายใดจะสามารถจเจาะแสวงหาหรือค้นพบในสิ่งทั้งสองนี้ได้มีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นซึน่งจัดสรุปถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆเป็นวักเป็นตอนนี่พวกเราทั้งหลาย น, นี่เป็นผู้ล้างมือคอยเปิบเท่านั้นวิธีการทุกอย่าง ในการที่จะละสิ่งที่เป็นโทษซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนและในการที่จะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจของตนพระพุทธเจ้าท่านทรงนแนะนำพร่ำสอนไว้หมดทุกแง่ทุกมุมแล้วเรื่องกิเลสก็แยกประเภทเอให้เห็นอย่างชัดเจน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 เราชาวพุทธทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ล้างมือควยเปิบเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีการทุกอย่างไว้แล้วไม่ยากอะไรนะเพียงจะนำอุบายของท่านมาอบรมสั่งสอนตนเท่านั้นก็ถือเป็นความลำบากแล้วก็เป็นมนุษย์ที่หมดหวังเฉพาะอย่างยิ่ง พระเป็นพระปฏิบัติด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้หมดหวังไม่มีผลที่จะพึงได้ถ้าเหตุไม่เป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรผลก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุเป็นแดนเกิดแห่งผลทุกประเภทเราบำเพ็ญไม่ถูกต้องและไม่เพียงพอที่เหตุจะสมบูรณ์ได้ หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องที่จะให้ผลปรากฏขึ้นมาโดยลำดับจนถึงขั้นสมบูรณ์ได้สิ่งเหล่านี้ที่กล่าวเหล่านี้เราอยากปตําำนิิเตียนผู้หนึ่งผู้ใดเพราะเราเองเป็นผู้จะประพฤติปฏิบัติขุดค้นให้รู้ทั้งฝ่ายโทษและกุณซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเองให้รู้ให้เข้าใจ ไม่มีผู้อื่นใดจะมาประพฤติปฏิบัติตนเราให้เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดไปได้นอกจากเราเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตนให้พากันเข้าใจอย่างนี้บรรดา น, นักปฏิบัติทั้งหลายอย่าทรงกิจไปอื่นนอกจากดวนดังแห่งกิเลสและ ทำทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้สัจจธรรมนั้นมีทั้งภายนอกภายในมรรคก็มีได้ทั้งภายนอกภายในแต่สรุปลงแล้วสัจจธรรมภายในตัวของเหล่านี้เป็นสิ่งที่รับรองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จะให้ศัจจธรรมใด้เกิดขึ้นเช่นส ม, สมุทัยก็เป็นศัจจธรรมประเภทนีน้ให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจ ทุกซึ่งเป็นสัจธรรมป ร, ประเภทหนึ่งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากสมุทยัยก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อสมุทัยเป็นผู้ผลิตงานขึ้นมากน้อยเพียงไรผลคือความทุกข์จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราเองโดยไม่ต้องไปถามใครเพราะฉะนั้นใจเราจึงเป็นภาชนะที่รับรองสัจธรรมไว้ทั้งมวล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 แต่ที่เราต้องการอย่างยิ่งก็คือสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ให้มีกำลังมาคะปฏิปทาเครื่องดำเนินหรือทางดำเนินท่านพูดสรุปลงแล้วในธรรมทั้งหลายจากธรรมทั้งหลายามีแปดประการด้วยกัน นี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปโดยลําดับทำทั้ง8ประการนี้รวมแล้วเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทำแปดประการนั้นคืออะไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปรได้แก่ความฉลาดรอบข้ออันเรียกว่าองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสประเพณีท่าน ก็เรียกว่ามักรวมตัวเหมือนกันคือการทำงานชอบการพูดชอบการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเพียนชอบตั้งสติไว้ชอบ สมาธิคือความสงบใจด้วยความชอบธรรมรวมสี่อย่างนี้ท่านเรียกว่ามัจพระปฏิปทาหรือเรียกว่ามัชฌิ ม, มาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทุกประเภทภายในย จ, จิตใจนี้ออกได้โดยไม่มีเหลือไม่นอกกิเลสทุกประเภทไม่มีอำนาจนอกเหนือไปจาก มัคคัิบทธาหรือมัชฌิมนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศสอนเป็นจวัคีทั้งห้าขึ้นเป็นปฐมโอวาทเรียกว่าปฐมเทสนาขึ้นดเวเมพิคืออันตาปมบาจิเตนันเซวิตตภาโยจายังกามเมสุกามาสุขานิกานโยโกอิโนก ม, โมูปุตุจิโกนาริโยนทาทสันนิโตเป็นต้น ทางสองแยกการมาสิขันลูกกาการมานิขันลกกาการมาสุขันิการุโย ก, กทำความลำบากแก่ตนเปล่าเปล่าไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนั้นไม่ไม่ใช่ความเหมาะสมของการแก้กิเลสเนี่ยทำตนหมักหมมอยู่ในกามไม่คิดเสาะแสวงหาทางออกหาทางหลีกเลียน หลีเลีนจากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีทางที่จะประสบพบเห็นมรรคผลนิพพานได้ไม่เป็นธรรมที่เหมาะสมแก่การบรรลุธรรมอัตตกิริมฐานิโยค ก, การประกอบทรัพยฝึกฝนทรมานตนเปล่าโดยไม่มีสติปัญญาเคลือบแฝงในการที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทนั่นก็เป็นความลำบากเปล่า ไม่ใช่เป็นวิธีการฝึกฝนอันเหมาะสมที่จะให้กิเลสตุดลอยหวักไปจากใจได้เลยดังนั้นท่านกล่ว่ามัชฌิมาปฏิปฏาทาแต่ถาคาเตนอวิสัมบุตราจักกุกรณียาณการณิยุปสมัยยะอวิญญาญาสัมบุตายานิบานายะสร้างวัตริกนั้นยกมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทขึ้นม า, าพระพุทธเจ้าเลย ดัชรูก็เพราะอันนี้นะพูดยางๆงจะทําเหล่านี้เป็นไปเพื่อยาเพื่อจักรตูญานเพื่อวิชาเพื่อความรู้ในแง่ต่างๆ่างเห็นยานังวิทยาาสนีวิชาวิทยาศาสอโลกูโอวิทานีดังนี้เป็นตน้นความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมัชฌิมาปฏิปทานนทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนอย่างอาจหารเพราะท่านทรง ประพฤปฏิบัติมาแล้วทั้งเหตุได้ทั้งผลเป็นที่พอพระไทยนำมาส่องส้อนบุญตะวกขีทั้งห้าท่านเรียกว่าอริยสัจ ธ, ธรรมทั้งสี่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรยกมัชชิมาขึ้นเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วคำวมัชิมาปฏิปทานั้นอยู่สถานที่ใดเวลานี้อยู่ในคัมภีร์บาลาน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 ใจของเราเองที่ผลิตขึ้นมาให้มีเพราะฉะนั้นจงอย่าลืมธรรมะที่ท่านสอนตามตำรับตำรานั้นชี้เข้ามาหัวใจของสัตว์โลกที่ทั้งนั้นไม่ได้ชี้ไปไหนเลยท่านจดจารึกเอาไว้เพื่อให้รู้แนวทางที่จะเข้ามานำเข้ามาปฏิบัติต่อจิตใจของตนซึ่งถูกขี้เดือดหยาบย่ำทำลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่เดินด น, นั่งนอนตลอดพบตลอดชาติเลื่อยมาไม่มีที่เงื่อนต้นเงื่อนปลาย กิเลสหยาย่ำทำลายอยู่อย่างนั้นให้ย้อนนํมมาธรรมะนั้นเข้ามาสู่จุดนี้จุดที่เป็นสงครามกันอยู่เวลานี้ได้แก่ระหว่างกิจกับกิเลสกับฐาเราตั้งใจปฏิบัติก็เรียกว่ากับธรรมแต่แย่งเอาสมบัติอันล้นค่าคือใจมาเป็นสมบัติของตนก่อนหน้านี้กิเลสได้ทุกประเภท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 เือกิเลสเป็นเจ้าครองหัวใจพาให้สัตว์โลกทั้งหลายมุเยนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนี้ท่านถึงเรียกว่าวัดตจักคือหมุนไปเวียนมาอยู่เช่นนั้นนี่จิตถูกกิเลสเป็นเจ้าของเป็นเจ้าานาทครอบงำจึงเป็นเหมือนกับนักโทษในเรือนจาไม่ผิดเลยมาได้อยู่โดยอิสระเสรีแม้แต่เวลาหนึง่งนอนก็กิเลสบังคับอยู่นั่น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 นี่เรื่องตัเรื่องของกิเลสทั้งนั้นทํางานอยู่บนหัวใจแตนี้เราจะพยายามพักกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยครองหัวใจนี้ออกแล้วจะเพื่อทำทั้งหลายจะได้เข้าครองจิตใจให้มีความร่มเย็นเปล่งฉุกกิเลสครองหัวใจให้รับได้รับความทุกข์ความทรมานมากทั้งพบเก่าพบใหม่ เกิดแล้วเกิดล่าตายแล้วตายเล่าเต็มไปด้วความทุกข์ความทรมานหาความสุขความสบายไม่ได้เลยนี่เราพยายามจะเอาธรรมเข้าครองใจเพื่อความล่มเย็นเป็นสุขสงบสุขภายในจิตใจของตนโดยธรรมจึงต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นทางเดินอันถูกต้องเหมาะสมโดยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีข้อบกพร่อง ยังเรียกว่าเราเป็นผู้ล้างมือเปิบแล้วสนใจหยิบยื่นเข้าใส่ปากถึงจะเคี้ยวจะกลืนก็เกินไปมือล่วงเข้าไปในบาดก็ถือว่าเป็นความลำบากลำบุจะเคี้ยวจะกลืนอาหารก็ถือเป็นความลำบากลำบนคนคนนั้นก็คือคนกาลังจะตายนั่นเองหมดคุณค่าหมดลราคาแล้ว นี่พระพุทธเจ้าทรงสรั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมก็เปรียบเหมือนกับอาหารที่ปรุงไม่เรียบร้อยแล้วที่จะหยิบยกขึ้นมาประพฤติธปฏิบัติต่อตัวเองเท่านั้นก็ยังหยิบยกมาปฏิบัติได้แล้วเราหาคุณค่าจากอะไรตัวของเราเองมันหมดคุณค่าไปแล้วการประพฤติปฏิบัติอันใดก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังไม่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นชิ้นเป็นอันมาได้เลยมี่ตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คลานความหมดแอซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น เข้าเหยียบย่าทําลายแม้เดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่พ้นที่กิเลสจะตามเข้าไปเหยียบย่ําทําลายทําทั้งหลายที่ตนกําลังจะบำเพ็ญ น, นั้นให้ยิดแจ้สายไปตามอารมณ์ของกิเลสนั้นเสียสุดท้ายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินจงกรมก็เดินไปด้วยอารมณ์ของกิเลสนั่งสมาธิก็นั่งด้วยอารมณ์ของกิเลสเลยมีแต่กิริยาที่นั่งสมาธิเป็นกิริยาที่เดินจงกรมจิต ใจกับสติไม่สัมผัสสัมพันธ์การพลอยรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้ราวของอัตของธรรมอย่างไรบ้างเลยอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในสิ่งที่เราพึงหวังพึงปรารถนานั้นเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ากิเลสยังสวมรอยสวมลอยอยู่ตลอดถ้าเราไม่แยกแยกแยกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมให้เป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นรักเป็นตอนกันในขณะที่ประกอบความเพียรด้วยความมีสติสตัง เราจะไม่หวังได้มีความอิ่มตัวภายในจิตใจเลยต่างเดียวกับคนรับทานนั่นแหนละล่วงมือลงไปในหม้อก็ในถ้วยในจานก็เห็นเป็นความลําบากพอมารับทานก็จะเคี้ยวจะกลืนก็ลําบากถือว่าเป็นความลําบากคนนั้นคือกําลังคนจะต า, ตายหมดคุณค่าทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วร่างกายก็ไม่ทํางานสุดท้ายคนนั้นก็ต้องตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกัน ธรรมของพระพุทธเ จ, จ้าที่ทรงบัญญัติไว้ประทานไว้ทุกเนี่ยทุกมุมเราจะหยิบยก ข, ขึ้นมาปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับการรับทานเพื่อให้ความอิ่มอกอิ่มใจมีความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการปฏิบัตินั้นเราก็ทํำมาได้แล้วเราก็หมดคุณค่าไม่มีธรรมภายในใจพอที่จะเข้าไปครองใจได้เลยก่อนที่จจจะปล่อยให้กิเลสมันเอาไปเข้าตลาดไหนก็ไม่รู้ นี่สมควรนะหรือแก่เราผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงพรนวดก็ทรงธรรมให้เห็นแล้วแบบฉบับของพระพุทธเจ้านี่แบบอ่อนแออ่อนแอท่อถอยที่ไหนบ้างเราเคยเห็นไหมในตำหนักตำลาตาดกั้วพระไทยออกซะจนจะไม่ไม่มีพระไทยติด พระองค์ไปเลยความ ห, มห่วงใยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นกษัตริย์บริษัทบริวารไพฟ้าประชาชีมีมากมายขนาดไหนทรงตัดออกจนหมดสิ้นเหมือนกับตัดขั้วหัวใจนันแหละ่ขญาติพระวง์ก็มีพระชายาพระราชโอรสก็มีสบมบัติเงินทองก็ของไพฟ้าประชาชีทั้งหลายรุ่นเล้วตั้งแต่เป็นบริษัทสมบัติบริวารของพระอง ใครจะไม่รักใครจะไม่หวงแหนการเสด็จไปเช่นนั้นไม่เหมือนกับการตัดขั้วหัวใจยังเหลือไปแต่ร่างจะเรียกว่าอย่างไรจะเหมาะสมดีนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงทำให้เป็นตัวอย่างเป็นอันดีอยู่แล้วนเวลาเข้าทรงออกทรงผนวดนแล้วก็รับความทุกข์ความทรมานเพราะการบริโภค ลำบากลําบนความเป็นกษัตริย์ตกลงไปสู่ความเป็นคนขอทานก็เหมือนกับเราตกนรกลงตกจากสวรรค์ลงไปตกนรกนั่นเองลำบากลําบนความเป็นอยู่ปูวายที่อยู่ที่อาศัยส่วนใช้ไม่สอยไม่มีพระองค์ไม่สนพระไท่สิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมที่ทรงมุ่งหวังอย่างเต็มพระไถ่นั้นทานั้นจึงต้องทรงเสียสละอย่างเต็มที่เต็มฐานความทุกข์ความลําบากในการประกอบ ความผักเปลี่ยนไม่ถือว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงแต่มุ่งอัดมุ่งทำรรคือแดนแห่งความจัดจะรูร้เพราะจะเป็นศาสดาสอนโลกด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงของตนก่อนแล้วนั้นเป็นจริงที่พระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างยิ่งถึงขนาดสลบสลไยไปทั้งสองสามหม น, นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นปฏิปทาคติเครื่องเตือนใจของชาวาทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเต่าเหล่าอของพระพุทธเจา้าเราไม่ยึดสิ่งเหล่านี้มาเป็น พุทธังเสนงการฉามิเราจะเอาอลายเป็นพุทธังต้องยึดทั้งปฏิปทาเครื่องดําเนินของพระองค์ด้วยยึดทั้งคุณสมบัติพระคุณธรรมของพระองค์ที่บริสุทธิ์พุทธ่องนั้นด้วยมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราก็จะได้มีกําลังวังชาในการประพฤติปฏิบตัติไม่ทอถอยอ่อนแอให้กิเลสเห ย, ยียบย่าทำลายอยู่ทุกขณะอิจดังที่เป็นอยู่ในรานนี้ใช้ไม่ได้เลยการต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับการต่อสู้กับข้าศึก ไม่เขาก็ต้องเราต้องตายการต่อสู้กันบนเวทีก็เช่นเดียวกันอย่างน้อยก็ต้องบ อ, บ, อบช้ามากกว่า น, นั้นก็ตายถูกคู่ต่อสู้นอกเอาตายก็ได้แต่เมื่อได้ขึ้นบนเวทีแล้วตายก็ต้องตายต้องเอาให้สุดเหวี่ยงที่เดียวตติกำลังวังชาความสามารถมีขนาดไหนทุ่มลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายไม่ตายแล้วค่อยลงมาจากเวทีได้ชัยชนะหรือแพ้ก็ทราบกันตรงนั้น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 วัตถุสิ่งของเองินทองจะถูกปัจจัยแทนทานทั้งสี่มาบำรุงบำเลอผู้ผู้ตัางใจผู้ปฏิบตัติเราไม่เห็นขั ด, ข, ด ข, ขัดข้องขัดเขินอะไรบรรดาปัจจัยทั้งสี่คือกิวรบินธบาติเ ส, ana, สนาสนะที่อยู่ที่อาศัยปัดแล้วก็ก ค, คีฬาณเพสัตยาแก่โลกแก่ภัยก็เห็นเต็มไปหมดไม่มีการบกพร่องนอกจากจะบกพร่องในความเพียรของเราที่จะเป็นทหารชั้นเอกดังประพุติเจ้า ork, ที่ทรงพาดำเนินมาแล้วเท่านั้น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 กี่ปีมาแล้วดูสิหมดไหมสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วยังไม่หมดรสชาติยังดื่มดำซึ้งถึงกิตถึงใจผู้ปฏิบัติอยู่เสม อ, อมพวกเรามีความรู้สึกตัวอย่างไรบ้างที่มาบวชในศาสนานี้ยิเรศมันอยู่ทุกซอกทุกมุมอยู่ทุกขณะแอบอยู่กับจิตกับใจถ้าเราไม่ใช้สติปัญญา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 มีได้สองอย่างส่วนมากหรือเป็นพื้นฐานความคิดตรุงที่ออกมาจากกิเลสท่านเรียกว่าสังขาร น, นี้เป็นสมุทยัยเป็นแดนที่จะผิดทุกข์ขึ้นมาเผาลนจิตใจนั่นเองสังขารประเภทนี้ท่านเดียวสังขารฝ่า ย, ยกิเลสสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายธรรมเช่นสติปัญญาผิดขึ้นมาคิดค้นขึ้นมานี่สังขาร น, นี้เป็นฝ่ายธรรมเป็นด้านปัญญาที่จะแก้กิเลสซึ่งมีอยู่ความในจิตดวงเดียวนั้น อุบายวิธีต่างๆผมก็ได้เคยอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทัิกําลังความสามารถไม่มีลี้ลับแม้แต่น้อยห น, หนึ่งเลยกับหมู่เพื่อนผมอบรมหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาสงสารจริงๆโดยยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาระหว่างใจของเรากับหมู่เพื่อนแล้วใจของเราที่มีความต่อสแสวงหาต่อครูต่ออาจารย์อยากให้ท่านเมตตาอบรมสั่งสอนไว้พอจะเป็นคนทักคนหนึง่ง ใจจะหุดจะขาดไปจากตัวกลัวท่านไม่รับเมตตาอบรมสั่งสอนเอาไว้เมื่อได้อยู่กับท่านแล้วเหมือนจะเหาะจะบินมีความภาคภูมิใจฟังท่านพูดอะไรนี่ฟังเอาจริงๆ จ, จังๆเหมือนกับอัดเทพว้พายาณาจิตใจเลยฟังได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีหลุดมีขาดตกบกพร่องไปตรงไหนไม่มีเรียราาไปไหนฟังซึ้งซึงซึ้งเข้พาพาณจิตใจหมดมเวลาเราตรองไปตาม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 ครูประจารย์สอนหมู่คณะก็มาด้วยความได้เป็นด้วยความจําเป็นไม่ได้เป็นด้วยความสมัครใจจะว่าจืดว่าจางต่อหมู่เพื่อนหรือต่อประชาชนนโยจงเราวขอยอมละเราเห็นการอยู่คนเดียวเป็นความสะดวกสบายตามประสาสัยของตนเพราะไม่มีอํานาจวาสนามากมมาอะไรพอที่จะคิดแนะนําสั่งสอนใครต่อใครแต่คั้นแล้วก็คนนั้นมาเสกมาสรรให้เป็นครูปาาระจาจานเรื่อยมามีผู้มาเกี่ยวข้องทั้งพระทั้งเนรตั้งแต่ ท่ญญานอาจารย์มั่นมรณะภาไปทีแรกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ขาดว่าขาดตอนลังไลกันมาทั้งพระทั้งเนนทั้งประชาชนจําเป็นต้องได้ให้การอบรมสั่งสอนเพราะคิดเห็นใจของเราที่เคยสอบแสดงหาครูหาอาจารย์นั้นจนแทบใจจะหลุดจะขาดไปจากตัวหมู่เพื่อนวุ้ง ม, มีความหิวความกระหายต่ออัด ต, ต่อรมก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันนี้นี่จึงได้โปร่งใจอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเมื่อได้ปร่งใจลงแล้วก็โปร่งจริงๆ ทางใจสอนตามเหตุตามผลให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายเหตุเป็นอย่างไรตนได้ดําเนินอย่างไรอย่างไรมาและผลปรากฏขึ้นมีแง่หนักเบามากน้อยหยาบละเอียดแค่ไหนก็เคยได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังจนไม่มีปิดบังนี้ลับหมดไม่มีเหลือภายในหัวใจอันนี้หากไม่จะไม่พอจะเป็นคติตัวอย่างแก่หมู่เพื่อนได้ยึดไดถือว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วทำมากที่จะให้เลยนี้ไป นัหลักที่จะมาสั่งสอนหมู่มเพื่อนอีกนั้นผมยอมรับว่าผมหมดเมื่อหมดตัวแล้วไม่มีอะไรเหลื อ, อหมู่เพื่อนไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหมดจริงๆหมดเนื้อหมดตัวจริงจรให้พูดยิ่งกว่านี้ไปไม่ได้เพราะรู้เท่านั้นปฏิบัติมาก็ความสามารถขนาดไหนก็ได้เล่าให้ฟังแล้ว่ะเต็มท่านเท่านั้นควสามารถเต็มภูมิเท่านั้นความรู้ก็เต็มภูมิเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้ทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผล โมเพื่อนแต่ถ้พอถือเป็นคติเตือนใจเป็นที่ดมงคลแก่ตนของตนได้ว่าเป็นการถูกต้องดีงามแล้วก่นหน้าจะได้รับผลประโยชน์และก่นหน้าจะสนใจประพฤติปฏิบัติเต็มวิติกําลังความสามารถของตนไม่เห็นสิ่งอื่นใดที่มีความสําคัญยิ่งกว่าการบําเพ็ญธรรมเพื่อความอุญพ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างเด็ดเดียวอดหานฌานไฉสมกับว่าเป็นลูกตถาคต ไม่ยอมแพ้อะไรเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสไม่ยอมแพ้เป็นเด็ดขาดเอาให้ชนะไปได้โดยลําดับลาดับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชือ่อว่ากิเลสแล้วมันมีกําลังวังชามมันเป็นเครื่องหลอกไปในตัวให้ได้ติดใจด้วยกันทางนั้นไม่ว่าความโลภเกิดขึ้นต้องติดจนได้มันมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวของมันมีโลภมีชาติอยู่ภายในตัวของความโลภความโกรธมันก็ มีรดมีชาติอยู่ภายในตัวของมันเพราะฉะนั้นสัตโลกจึงต้องติดโกรธพอใจโกรธพอใจโลกพอใจหลงพอใจรักพอใจชั่งไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นไัยเพราะมันกล่อมได้สนิทเนื่องจากกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แหลมขมมากในึ่งใโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะฉลาดแหลมขมยิ่งกว่ากิเลสเพราะฉะนั้นจึงได้ขึ้นครองใจของสัตว์โลก ทนี่กิเลดประเภทต่างๆซึ่งเป็นจอมขษัตว์วัตจักรครองหัวใจสัตว์โลกอหู่นี้จะพังทลายลงได้โดยไม่มีเหลือเลยนอกจากธรรมแล้วไม่มีธรรมก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญนี่กิเลสทุกประเภทกลัวมากที่สุดเพราะกิเลสเคยได้ตายเพราะศาสตราอาวุธประเภทนี้แล้ว มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนไหนสาวกของพระเจ้าองค์ใดองค์ใดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ปราบกิเลสให้ราบลงไปสิ้นซากไม่มีเหลือเพราะมัชฌิมาปฏิปทาแบบฉบับเดียวกันนี้ทั้งนั้นไม่มีแบบอื่นแบบใดมาปราบกิเลสให้หมอบราบไปได้นอกจากหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันเหมาะสมอย่างยิ่งตลอดมานี้เท่านั้น นี่เมื่อเรานำมาประคฤตปฏิบัติเหตุได้กิกเลสจึงจะมาทนุลงตัวได้ถ้าเราไม่หมอบครานหัวก็ไปให้กิเลสฟันเอาฟันเอาเท่านั้นด้วยความขี้เกียจชี้คลานด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่อยู่แก่กินเห็นแก่ความอ่อนแอเห็นแก่ความซับเร่มามักง่ายไม่เห็นแก่ความเป็นอัดเป็นธรรมความจริงความจังในกิจการทั้งหลายทั้งภายนอกภายในพอกิเลสจะได้กัวบ้าง นี่ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทางนั้นเราปฏิบัติหัวใจเราดูหัวใจเราทําไมจะมาทราบว่ามันเคลื่อนไหวไปทางถูกและทางผิดเป็นไปได้หรือถ้ามีสติปัญญารักษาตัวอยู่แล้วต้องทราบความเคลื่อนไหวของใจที่เป็นไปทางถูกและผิดได้เป็นอย่างดสติปัญญาสําคัญมากเราไม่เคยปล่อยวาง พูดคำไหนอยากจะพูดเรื่องสติเรื่องปัญญานี้อยู่ตลอดเพราะนี้เป็นสําคัญเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งทีเดียวกิเลสหลุดลอยอไปไมไ่หลุดรอยจากอะไรศรัทธาความเพียรเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นสเสบียงสนับสนุนให้ทางนี้มีกําลังสติปัญญาเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสทุกประเภทเป็นนอกเหนือไปได้เลยสมาธิตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมเหมือนกับว่าไล่กิเลส เข้ามาสู่จุดรวมปัญญาเป็นผู้คลี้คายออกฟันออกทําลายทีละตัวสองตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่กิเลสนดับๆตัวใหญ่ๆเรียกว่าตัวหยาบๆลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งละเอียดสุดถึงราชาของกิเลสกษัตริย์วัตจักรของกิเลสได้แก่อวิชชานั่นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่สุด ก็ไม่พ้นที่มัชิมาปฏิบัติอานเป็นธรรมละเอียดยิ่งที่สุดปราบให้เรียบราบไปเช่นเดียวกันเพราะนั้นจึงไม่มีขีเล็ดตัวใดที่จะอาจหารต่ออัจต่อธรรมของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเรามานำมาประพฤติปฏิบัติเหตุใดจะไม่รู้อ่านมาทำไมอ่านหนังสืออ่านแต่ชื่ออ่านสมาธิใครอ่านก็ได้ชื่อของสมาธิชื่อของปัญญาใครอ่านก็ได้ ชื่อของมิมุตความหลุดพ้นใครอ่านก็ได้ชื่อของกิเลสตัณหาสวะประเภทต่างๆใครอ่านก็ได้ใครจําจก็ได้ชื่อของอดของธรรมตั้งแ ต, ตงแต่ต้นจนมะกผลนิพพานใครอ่านก็ได้ใครจําจก็ได้ไม่สําคัญอะไรนะักถ้าไม่ปฏิบัติถ้าการปฏิบัตินั่นแหละพ่อท่านสอนให้เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนรู้ชื่อของมันแล้วให้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติท่านก็สอนไว้แล้ว จะ อ, อะไรปฏิบัติทําอะไรลงไปไม่พ้นสติที่จะต้องตามเป็นผู้ควบคุมงานแล้วจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธโก็ต้องให้มีสติอยู่กับคําบริกรรมนั้นๆหรือจะกําหนดอนาปานสติก็ตามลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้ด้ดวยสติสัมบัติสัมพันยอย่างนั้นไม่ต้องไปขาดหมายเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะเกิดขึ้นมาในการใดสมัยใดเวลาใด จะเกิดขึ้นในลักษณะใดไม่ต้องไปคิดเไปคาให้เผลอตัวจากงานที่กําลังทําอยู่ด้วยสตินั้นจิตต้องสงบไปได้ไม่พ้นสติเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อใจได้สงบสติเป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยได้ดีถ้าเผลอสติเมื่อไหร่แล้วโจนผู้ร้ายได้แกะกิเลสตถาสวะมันต้องฉุดลากเอาไปย้ำจนแหลกด้วยเหตุนี้สติจึงเป็นของสําคัญถัดจากนั้นพอ จิตมีความสงบร่มเย็นลงไปพร้อมมีเป็นปากเป็นทางแห่งความคิดอ่านทางด้านปัญญาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิกเจตนาแยกดูทาตุดูขันต์ไอชนะภายในตาหูจมูกดินกายรวมแล้วเรียกว่ากายดูทั้งภายในภายนอกดูตั้งแต่หนังเข้าไปหาเนื้อหาเอ็นหากรลุ่มภายในลึกๆดูไปหมดเต็มไปด้วของปฏิกูลโสโคกนี่ปัญญาสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่จานี้ชํานาญ และซึ้งพายในจิตใจแล้วทนไม่ได้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ถ้าจะพิจารณาว่าธาตุก็สับแต่ว่าธาตุดินเราดูเอาสิเดียไปไหนก็มีแต่ดินน่ารักหน่าชังหน้าโกรธน่าเกลียดมันที่ตรงไหนก็ดินแค่เฉยน้ำกเราก็เห็นอยู่แล้วภายในร่างกายของเรามันก็มีธาตุดินส่วนที่เป็นแข็งๆทั้งเรียกธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี่เรียกว่าธาตุดิน ่ า, น, า, น, น, า น, น, น, นุน้ำก็เช่นน้ำลายน้ำเหงื่อเป็นต้นเนี่ยน้ำข้าัึกแต่ว่าน้ำ ม, มันน่ารักน่าชางังน่าเกลียด น, น่ากดที่ไหนถ้าพิจารณาให้ซึ้งตามความจริงของความมีอยู่ความเป็นอยู่ความจริงอยู่ของเขาแล้วใจของเราก็จริงนะเพราะใจของเราเป็นผู้หลงไปสําคัญมั่นหมายว่าดินเป็นตนธาตุดินเป็นเราธาตุดินเป็นของเราธาตุน้ําเป็นเราธาตุน้ําเป็นของเรานะ ลมก็เป็นที่นลมหายใจเป็นต้นเราก็เคยรู้กันอยู่ตลอดเวลาไอ้ลมเป็นยังไงมันน่ารักน่าชังน่าเกลียดน่าโกลัที่ไหนลมหายใจทําไมหลงไฟธาตุไฟนี่เราก็ใช้หุงต้มอยู่ตลอดเวลาไปไฟภายในร่างกายเราทําไมมาหลงว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเราไม่โง่จะจนเกินไปพิจารณาให้เห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่ดูสิจะเป็นยังไงจะหาที่ค้านโพงได้ยังไงเมื่อพิจารณาตั้ํา้ำซาก ขว้เี่ยขุดค้คนดูหลายครั้งแลายหนก็ค่อยแจ้งออกมาแจ้งออกมาสว่างออกมาถึงความจริงเข้าไปเรื่อยๆจกนกระทั่งถึงความจริงเต็มส่วนในส่วนร่างกายนี้แล้วสลัดปุ๊บเดียวพึชเดียวหายเลยหมดไม่มีเหลือจะเคยถือมายึดมัน่นถือมั่นมาเป็นตนเป็นของตนมาตั้งกับตั้งกันก็เถอะถ้าลงสติปัญญาได้อย่างทราบให้ตลอดทั่วถึงอย่างซึ้งใจแล้วยังไงก็ทนปลอยไปไม่ได้ก็มันเป็นธาตุนี่ไม่ใช่เราถือมันไว้ทําใหม่ นานเวลารู้ชัดแล้วทนไม่ได้มันต้องปล่อยอนี่พิจารณาร่างกายพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าที่นั้นกำหนดทำลายลงไปให้แตกหรือให้ปุพองน้ำหนองไหลเยิ้มไปหมดเต็มสตุข ร, า ก, ร, รากายนี่เป็นเรื่องอรุภอรุผังน่าเกลียดอยู่แล้วน่าอินทาราใจเป็นน่ายึ้น่าถือ น, น่ารักมันยังไง จากนั่นกระจายลงไปมันก็เป็นธาตุเนียดินก็เป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจมันก็เป็นใจอย่างนี้มันไปหลงเขาเนี่เพราะฉะนั้นจึงพิจารณาเพื่อให้ใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้หลงต้องคลี่คลายให้ใจดูให้เห็นตามหลักความจริงด้วยปัญญาใจก็ถอนตัวเข้ามานี่ขั้นร่างกายเป็นอย่างนี้พิจารณาซ้าๆสักๆ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 สมาธิที่จะให้ความสงบวาันานั้นต้องทําให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องของสมาธิจริงๆไม่ต้องเอาปัญญาเข้ามาแทรกมายุ่งเหยิงมุ่นวายมันจะก้าวไก่กันพอจิตมีความสงบได้กําลังบางชาและถอยออกมาจากนั้นกับพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้มันแหลกละเอียดไปหมดสกุากายของเราและทั่วโลกธาตุดินแดนอันนี้ไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกจากกันเป็นเหมือนกับสภาพร่างกายที่เป็นอยู่ของเหล่านี้ทุกชิ้นทุกอันทั้งของเขาของเรา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 พอมหมดอุปทานแค่นั้นแต่ก็ดีดตัวขึ้นมานี่เป็นส่วนยากร่างกายต้องใช้ปัญญาพิจารณาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนนี้แล้วก็ปล่อยวางอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่นไม่ถือว่ากายเป็นเราเป็นของเราแม้จะอาศัยกันอยู่ก็สักแต่ว่ารับรู้เท่านั้นเองไม่ยืดเวทนาที่มันเกิดขึ้นภายในจิต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 มันมีความเกิดขึ้นดับไปดับไปสัญญาคือความจำได้หมายรู้เราก็จำมาสักเท่าไหร่แล้วมันเป็นสาละอะไรก็เพราะมันลืมไปหมดจำแล้วมันก็ลืมไปลืมไปสัญญาว่าสัมวิบูทหติมันเป็นของแน่นอนพอจะถือเป็นเราเป็นของเราไว้เนื้อไว้ใจได้อย่างไรเห็น ญ, ญาณความรับทราบเวลาตากระทบรูกหูกระทบเสียงกินลบเครื่องสัมผัส กระทบ ก, กันกับทางตาหูจมูกลิ้นกายของเหล่านี้ก็เกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนกับหิงหงห้งห้อยแสงหิ่งห้อยบยบแยๆแยแล้วพอสิ่งสัมผัสผ่านไปอันนี้ก็ดักไปพร้อมๆเอาสาระประโยชน์อะไรกับมันมันมีแต่อาการของความรู้ทางหลังเรามาตื่นทําไมตื่นเงาเหล่านี้เป็นอาการของความรู้เป็นอาการของจิตอืมเป็นเงาของจิตถ้าพิจารณาไม่รอบก็ต้องหลงเงาเนี้ะตื่นเงาเนี้ยยืดเงานี่แหละเรายังไม่ได้เคยพิจารณาเลยก็ เงานี้เป็นตัวของตัวตลอดเวลาเป็นเรื่องเป็นราวกอ่อควรตัวเองอยู่ตลอดคนเรานั่งเฉยเฉยอยู่คนเดียวลองดูสิมันม่นั่งเฉยเฉยนั่นอ่ะมันนั่งกอ่อเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่เรื่องสังขารเรื่องสัญญามันปรุงมันหมายผ่านเป็นอดีตผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่มือ้อกี่วันมันไม่ไม่ได้เห็นว่าเป็นของเก่าแล้วมันจะต้องหมเอี่ยมอยู่เสมอ ด, ด้วยความตื่นความหลงสัญญาอารมณ์ของตัวเอง วุ่นกันอยู่ตลอดเวลานนัมันไม่ได้อยู่คนเดียวมันอยู่กับเรื่องอารมณ์บ้าๆบอๆทาให้เจ้าของรุ่มหลงไปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่ง น, นี้ให้ดูจริงเห็นจริงด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยเช่นเดียวกันหมดรูปก็ปล่อยเวทนาก็รู้เท่ารูปก็รู้เท่าสัญญาก็รู้เท่าสังขารก็รู้เท่าวิญญาณความรับทราบซึ่งแต่และอย่างละอย่างที่กลา่าวมานี้เป็นเงาเป็นอาการของกิตทั้งนั้นรับทราบไว้หมดรู้เท่าทันหมด ให้มีสิ่งใดเหลือ <c oughs> นี่แหละการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นอย่างนี้พอรู้เท่าแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยนี่แหละเรียวกว่าปล่อยด้วยปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าด้วยปัญญานี่ก็ฆ่าอุปทานเข้าไปเป็นทอดทอดแล้วเป็นขัน้นเป็นตอนเข้าไปฆ่าอุปทานความยึดถือกายก็ฆ่าได้แล้วทําลายลงไปได้แล้วความยึดถือเวทนาสุขทุกทข์เฉยเฉยสัญญาทั้งขานวิญญาณซึ่งเป็นอาการ wishing, ของกิจก็ฆ่าไปโดยลำดับรู้เท่าไปโดยลำดับแล้วนั่นนี่เรียกว่าฆ่ากิเลส ฆ่าด้วยสติฆ่าด้วยปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนสุดท้าก็มันจะมีที่ไหนไม่มีที่ออกหากินแล้วที่ยิ่งเลตอวิชชาไม่มีบริษัทบริวารจะออกทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้นงทางกายก็ถูกตัดหมดจะประติดรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสก็ถูกตัดหมดไม่มีทางหากินแล้วอวิชชาก็ต้อง้อมต้องโซ่เฮ้อโซโซัดโซเทติดแนบอยู่กับใจสติปัญญาอย่างลงไปที่ใจนั้นอีก พิจานาฟาดฟันหันแหลกลงไปในตรงนั้นอีกโดยลักษณะปลายลักษเช่นเดียวกันไม่ถือความรู้นั้นว่าเป็นเราเป็นของเราพิจรารณาให้เห็นตามความจริงเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายที่เราเคยพิจานามาแล้วด้วยสติปัญญาอันแหลมคมจุดท้ายมันก็พังทลายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นนั่นแหละทําลายโลกธาตุทำลายความเกิดแก่เก็บตายของตนก็ทําที่นั่นทําลายเชื้อแห่งความเกิดตรงนี้แหละ นี่แหละคือเชื้อของการเกิดได้แก่วอวิชาปัจจิยาสร้างคาราที่จะเกาะแขนงแต่ก็จะกระจายไม่มีสิ้นสุดความเกิดแก่เก็บตายไปที่ไหนมีแต่ปัจฉะของสัตว์ก็เพราะอวิชายนี้เป็นเชื่อเป็นอันตํางัญเป็นต้นเหตุที่พาให้เกิดให้ตายเมื่อทำลายนี้หมดไปไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วมันก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์อนั้นเองนั่นละที่นี่หมดเรื่องเรื่องกลมายาของกิเลสร้อยแปดธรรมการที่เคยต่อสู้กัน มาโดยลําดับลำดับเป็นอันว่ายุติพอจิตได้หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายกิเลสได้หมอบราบตายไปหายซากไปหมดแล้วไม่มีสิ่งใดมาขวนใจเราเห็นเป็นความสุขไหมเมืม่อเป็นเช่นนั้นเวลานี้เราอยู่กับการก่อขวนของกิเลสเรายังไมเห็นว่าเป็นสุขอยู่เหลือออยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่กับเรื่องก่อขวนหุ่นด่าวุ่นวายถูกกิเลส ย, ย่ายีตีแหลกหมดทุกทรมานลําบากลําบน ไม่ว่าคนงูคุนฉลาดคนมั่งมีคนจนต้องเป็นผู้ได้รับความทุกข์เพราะความเหยียบย่ำทาลายของกิเลสทั้งนั้นมเมื่อได้ฟาดฟันหันแหลกกิเลสหลุดลอยไปจากกิจใจหมดแล้วใจเป็นอิสระเสรีเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามายุ่ย ก, กย่กบกนอีกแล้วหูแสนสบายไม่มีคําว่าการเ ว, เวลาไม่มีสถานที่ไม่มีสมมุตินิยมอะไรทั้งหมด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 ดังพระพุทธเจ้าสลบเพียงสามถึงสามหนแต่พระองค์ไม่ตายสุดท้ายก็กิเดสตายพระสาวกทั้งหลายลำบากลำ บ, บนญึนขนาดไหนสุดท้ายก็กิเลสตายท่านไม่ได้ตายนี่เราทําไมจะกลัวตายยิ่งกว่ากลัวกิเลสตายความกลัวจะของตายยิ่งกว่าการกลัวกิเดสตายก็คือกลัวกิเลสตายนั่นเองมึงคิดกันอะไรพิจารณาเลยเอาเป็นนักปฏิบัติ ใครจะกู้าศาสน า, สาศาสนาอยู่ที่ไหนเวลานี้นี่พระพุทธเจ้าถอดออกมาจากหัวใจสั่งสอนโลกสงสารพระสาวกทั้งหลายถอดออกมาจากใจไปสั่งสอนโลกสงสารเหมื่อมีกีลังอเท้ามีเมื่อการผ่านไปนานก็เห็นว่าธรรมะนี่พุ ท, ที่จะทรงไว้ด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่อง เ, เต็มเม็ดเหน่วยร้อยเปเซตหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วจะหมดไปซะแล้วแหละก็ลเลยต้องจดจารึกเอาไว้ไม่อย่างนั้นคุณลูบุตรท้ายภายหลังจะไม่เห็นแม้กระทั่งเงาของธรรมเลยาศาสนาธรรมนี้นจะไม่มีเหลือจึงต้องจดจารึกเวล า, าศาสนาผ่านมาตั้งหลายร้อยปีแล้วเราจึงได้มาอ่านตามตํลับตำรานี่ก็พอเป็นกุญหมาป้ายทางให้เราได้พิจิพิจารณาดีอยู่แล้วอย่างทุกวันถ้าไม่มีตําลับตำลาเราจะ อ, าอะไรมาปฏิบัตินั่นตำตรับําราดีขนาดไหนพิจารณาดูซี่ เราไม่มีตำหตนักเวลาเราจะอะไรมาเรียนเอะไรมาปฏิบัตินี่ท่านประท่านได้ทำเอาไว้เพื่อเป็นกุลหมายปาฏิาริให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังได้จะพวกเราได้ยึดได้ถือดำเนินไปการบูพุทปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นมันก็เป็นมัชฌิมายตลอดเวลาอีกเหมือนกันไม่มีคําว่าเดียวแหลมถ้าความภาคเพียรไม่เดียวแหลมเสียเท่านั้นแต่ความอุตสาห์พยายามความบูพุทปฏิบัติตามหลักธรรมเดียวแหลมนั้นผลก็ต้องเดียวแหลม ถ้าตั้งใจมาคุิปฏิบัติตามหลักข่งสวัาดธรรมที่จัดไม่ชอบดีแล้วก็เป็นมชัชฌิมาอยู่ทั้งผลที่จะพึงได้ครับไม่มีอะไรสงสัยนี่ก็มีเท่านี้จะให้ผมพูดอะไรไปอีกกะหมู่เพื่อนหมดภูมิสอนอย่างเต็มผูกรายังไม่เห็นโทษของจีเรแล้วเราจะเห็นโทษอะไร ดูใจเจ้าของให้รู้มันเคลื่อนไหวไมีแต่เรื่องของจิตพาเคลื่อนพาไหวไม่ใช่ทำพาเคลื่อนไหวตั้งลงไปมันก็รู้เองเนี่ยนักปฏิบัติต้องรู้จิตของตัวเองจิตเป็นนักโทษใคยจะเป็นผู้ประคับประคองจิตนั่นไม่ค่า้าศึกขมาราบีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ใช่สติปัญญาท่านนั้นไม่มีเอให้จริงให้จัง ต่อไปนี้ท่า น, น, นปัญญาอธิบายหนุ่เพื่อน